วันนี้ก็ได้มีท่านผู้ใจบุญได้มาทำการไถ่ชีวิตโคแม่ลูกหนึ่งคู่เอเจ้าภาพมาพร้อมเพียงกันหมดแล้วยั ง, อ, อ, อ, ยง อ, อ๋อย่างอ๋ออย่างยมีท่านผู้ใจบุญมาไถ่ชีวิตโคกันเยอะหลวงพ่อก็เปิดโอกาสให้ทั้งโคทั้งกระบือก็ประมาณ6 0พันกดตัวแล้วแหละที่ได้ถไถ่มา เป็นอา น, นิสงเป็นบุญของพวกเราทุกคนมีโอกาสโอกาสเปิดให้สถานที่เปิดให้เรามีความพร้อมเราถึงได้ทำถ้าไม่มีความพร้อมก็ายากจุกการทำบุญทางสมมุติก็ให้เต็มเปรียบ <c oughs> เราจะผับอีกสักพักสักระยะหนึ่งกำลังเดินทางมาจะผับมากันแต่ยังไม่ครบ มากันแต่ยังไม่ครบปุ่นสมมุติการต่อชีวิตการยืดอายุที่จะให้เขาสุขส่งไปฆ่าทางหลงฆ่าสัตว์ก็เอามายืดชีวิตให้ยืนยาวนานเราก็ไม่อยากจะตายเหมือนกันโดยให้ตายธรรมชาติดีกว่าไม่ใช่ตายแบบถูกคนฆ่าถูกเอาไปฆ่าไป ตัดบัตรถอนชีวิตแสดงว่าเขาก็มีบุญเหมือนกันมีบุญที่ได้เข้ามาทําพิธีทางาศาสนาแล้วก็มีบุญสภาวะชีวิตของเขาใกล้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแหละถ้าไม่ได้มามีโอกาสได้เข้ามาอย่างนี้ก็ยา ก, ยากอยู่เหมือนกันแสดงว่าบุญเขาก็เริ่มเข้ามาถ้าหมดภพภูมิของการเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาคงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มีโอกาสได้มาช่วยเหลือหมู่คณะสังคมโยมเล็กเครื่องจะออกกี่โมงนะแปดโมง4หทันไมไม่ทันเนี่ทานข้าวทานป่าเช่ก่อนนะมีใครไปส่งอยากให้คุณหมอให้ไปส่งยมเล็กได้ไหมอ๋ออ๋อแท็กซี่มา ก็ให้โชคดีนะก็ให้โชคดีนะก็ให้โชคดีเดี๋ยวมาใหม่นี่แหละท่านผู้ใจบุญแห่งเมืองสมุทรปราการหลวงพ่อไปที่ไหนก็ไปพักที่บ้านท่านนี่แหละใหญ่ ย, ย, ยิงก็วัดจะอีกอยู่ที่นนท์ธรรมาชาติก็เยอะแยะมีโอกาสท่านก็ได้มามาพักอยู่ที่วัดด้วยแล้วก็ปรารถนาที่จะตั้งโรงทานด้วย ออกพรรษานี่ท่านส่วนหมูคณะมาตั้งลงทานตลอดเลยมีโอกาสก็ขอขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนี่แหละมีโอกาสกเราก็ได้มาทําบุญร่วมกัน ท, ท, ก ท, ท, ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมธรรมกับโลกก็อาศัยกันอยู่เองอาศัยกันอยู่หลเจจาพาไปด้วยสักพักสักระยะนึ่ง อ, อยากโยมที่ จอดรถเก่งไว้ทางด้านหน้าก็ขออนุญาตให้เคลื่อนย้ายไปที่อีกจุดข้างหน้าได้สักหน่อยนะเพราะว่าปิดกั้นทางจราจร อ, อยู่สักหน่อยหนึ่งอยัดโยมท่านใดที่เป็นเจ้าของเคลื่อนไปอยู่หน้าองค์หลวงปู่ใหญ่ที่วิหารก็ได้วันนี้อากาศก็แจ่มใส ฝนฟาไม่ตกเมื่อวานก็คึ้มๆโปรยลงมาบังผ่ายุวคงจะเริ่มเข้ามาทางเจ้ า, าพ่อไทยชีวิตโคก็มาถึงพร้อมเพียงกันหมดทุกคนทุกท่านพวกเราก็มีโอกาสได้มาร่วมกันได้มาร่วมกันไทยชีวิตญาติโ ย, ยมท่านใดอยากจะมาร่วมมาอนุโมทนาสาธุหรือมาร่วมกันก็ ลงที่ข้างด้านหน้าก็ได้ตลอดเวลานะมีโอกาสเราได้สร้างบุญรวมกันสร้างงานในสงรวมกันวันนี้ก็ได้ถ่ายโคแม่ลูกวันที่22อาทิตย์หน้าก็มีท่านผู้ใจบุญได้รวบรวมกันถ่ายอีกู่หนึ่งโคแม่ลูกเหมือนกันมีโอกาสพวกเราก็ได้ทำส่วนการชำระสาสางกิเลส ภายในเราก็ต้องจัดการกับตัวของเราด้วยการดําเนินตามวิธีแนวทางของพระพุทธองค์การละ ก, กิเลสการทําใจให้สะอาดทําใจให้บริสุทธิ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพียนกําลังสติปัญญาของเราที่จะสาสารกิเลสออกจากกิจจากใจของเราสวัสดิหาตัวตนของเราที่แท้จริงสแสวงหาจิตใจ ทำใจของเราให้สะอาดทำใจของเราให้บริสุทธิ์ทำไมใจของเราถึงเกิดทำไมใจของเราถึงหลงทำอย่างไรใจของเราถึงจะสะอาดถึงจะบริสุทธิ์เราก็ต้องพยายามเจริญสติเข้าไปหาเหตุหาผลคนหลงที่กายของเราว่าขันห้าของเรามีอะไรบ้างที่ท่านบอกว่าเป็นขันเป็นกอง ทังที่ใจของเราก็เป็นบุญอยากจะได้บุญอยากทําบุญอันนี้มีเป็นพื้นฐานมีเป็นพื้นฐานของทุกคนแต่การเจริญสติความเพียรตรงนี้มีไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ก็เลยเข้าไม่ถึงความเป็นจริงของวิญญาณในกายในขันห้าของตัวเราต้องให้ได้ครบทุกอย่างทั้งฐานสินสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่กับสมมติอยู่กับโลกธรรม ไม่ให้สมมุติเขาครอบงับอยู่กับบุญทํากายให้เป็นบนุญทําวาจาให้เป็นบนุญทําใจให้เป็นบนุญเราก็จะอยู่กับบุญตลอดบุญอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่กายที่วาจาของเรานอกนั้นเป็นกําไรของชีวิตที่จะสร้างประโยชน์ให้มากมาย วันนี้ก็ได้มีท่านผู้ใจบุญมาทำรงฐานกันหลายท่านมีโอกาสก็ขอเชิญทุกคนเข้าร่วมเขาทานที่รงฐานได้อย่าไปปล่อยให้กายหิวมี่ท่านผู้ใจบุญทํโรงทานรองรับร อ, ร, บ ร, อ, ร, บ ร, อรับทุกคนอยู่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ไม่ให้อดไม่ให้ยากแล้วก็ไม่ให้ลาบากทำให้เต็มเปี่ยมฐานวัตถุฐานเราก็ให้เต็มเปี่ยมฐานบรารมี จะได้ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากไปที่ไหนก็อย่าไปลืมทิ้งในการทำบุญในการให้ทานทานนี่เป็นพื้นฐานถ้าคนเราไม่มีการให้ทานแล้วก็ไปที่ไหนก็ลาบากจะเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวกายของเราก็ยังอดยังอยากยังหิวอยู่เราก็ต้องทําให้เต็มเปี่ย ม, ม ท, ทั้งฐานทั้งการจเจริญภาวานาะการจเจริญสติการละกิเลส การจเจริญพ ม, มิหารทำความเข้าใจกับชีวิตขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่การจเจริญภาวนาการจเจริญสติสติที่รู้กายเป็นอย่างไรสติที่รู้ใจเป็นอย่างไรอะไรคือปัญญาอะไรคือการละ ก, กิเลสอะไรเป็นกกศลหรือว่าอากุศลทำกับโลกก็อยู่ด้วยกันโลกกับธรรมก็อาศัยกันอยู่ต่างอิงต่างอาศัยกันอยู่ เอาวางใสรเลยวางใสรเลยมีโอกาสก็ได้มาสร้างบุญกันตั้งแต่เริ่มคิดคิดดีทดําดีการกระทำของเราถึงพร้อมการทําความเข้าใจของเราถึงพร้อมคนเราเกิดมาอะไรที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกปัจจุบันประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าก็หัดพิจรารณาหัดทําความเข้าใจก็จะมองเห็นแนวทาง ก็จะได้ไม่ได้เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาปีนี้ก็รู้สึกว่าฝนฟาจะแรงน้ำท่าก็ยังไม่ได้เข้าบอ่อแรงไปทั่วแรงไปไกลสองปีที่ผ่านมาก็น้ำท่วมทั้งท่วมทั้งแรงเพราะาคนเราทาลายธรรมชาติกันธรรมชาติก็เลยลงโทษเราก็พยายามแก้ไขปรับปรุงทั้งภายนอกทั้งภายใน เราแก้ไขไม่ได้ตลอดในภาพกว้างเราก็แก้ไขในภาพที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวสถ า, านที่ของเราก็ทําให้ดี outgoing. เหมือนกับอยู่ในป่าป่ากันมาช่วยกันปลูกป่า <sh arp> จนรมรื่นไขรเข้ามาก็มีความรมรื่นต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานยิ่งจะมีความรมรื่นมากขึ้นกันเต็มเปี่ยมพอเราปลูกทุกปีปลูกป่าทุกปีป่าก็เริ่มใหญ่โตขึ้นมา ก็อาศัยอนิสงฆ์บุญของทุกคนมาร่วมกันมาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยจากอดีตถึงปัจจุบันปัจจุบันก็จะส่งผลถึงอนาคตพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็มาสารโตไม่ต้องลําบากมาเริ่มต้นใหม่คนรุ่นหลังก็ได้รับอนิสงฆ์มากใหม่พวกเราก็มีโอกาสได้มาทําบุญร่วมกันได้มาวางรากฐานบุญเอาไว้กับสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมหมดทหารที่ก็สับ ป, ปะยะพระบรมสารีริกธาตุก็ได้อัญเชิญจากส่วนที่ท่านเสด็จมาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณลวงทงดีท่านมีความเมตตาได้อนุเคราะห์มาให้กับพวกเราได้กล่บบาวไบสักการะบูชากันอยู่ที่วิหารประหยกทั้งประยกก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใจบุญถ้าไม่มีอานิสงส์เพียงพอก็อยากที่จะบังเกิดขึ้นมาได้ สถานที่ตรงนี้มีทุกคนร่วมแรงร่วมกายร่วมใจกันฝากฝังเอาไว้เป็นแหล่งบุญใหญ่ในวันข้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งบุญใหญ่ลแล้วแหละเหมือนกับเราจุดเทียนเริ่มเดียวแล้วก็มีคนอื่นมาจุดต่อก็สว่างส ว, งสวกันเต็มปิบเราพยายามมาวางรากฐานบุญเอาไว้สถานที่ตรงนี้จากในน้อยตั้งแต่สมัยก่อนจากความไม่มีอะไรก็เริ่มต้นจากศูนย์ทางด้านวัตถุ คนนนบ้างคนนี้บ้างบริวารมาร่วมบุญมาร่วมกันสร้างอาณิสงฆ์จากในน้อยก็เพิ่มพูนเป็นกองใหญ่มาหึมาแล้วก็จะโลนออกไปสู่สมมุติจนเต็มปีบเดียวนี้ก็เต็มปีบก็ว่าปีหน้าหลวงพ่อก็จะได้พาฉลองสมโพธิฉลองสมโพธิทั้งวัดทุกคนมาก็จะได้มีความสุข เดี๋ยวนี้ ก, กำกลังทำสลาลงทานก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่ว่าต่อไปก็จะได้ตั้งโรงทานตลอดอยากโยมท่านใดใครอยากจะมาตั้งลงทานก็ยกมาตั้งได้มาทำได้ทุกวันใครไปใครมาม า, มากบาบไหวพระบรมสารีกระฐานกบาบไหวองค์หลวงปู่ใหญ่กบาบไหวองค์แทนพระพุทธเจ้าก็จะได้ไม่ได้ลำบากไม่ได้อดไม่ได้ยากหลุกหลานก็มากันเยอะอ ทั้งเด็กหลูกเด็กเล็กแดงเด็ ก, ดกนักเรียนทั้งคณะครูบาอาจารย์ทั้งคณ ะ, าาคณะหน่วยงานต่างๆก็พากันมาพากันมาชมพากันมาศึกษาพากันมากราบไหว้ในสิ่งที่เป็นสิริมงคลความเป็นสิริมงคลอยู่ที่ไหนเหล่ามนุษย์เราเทวดาก็ย่อมจะหลั่งไหลมาเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมชาติถ้าอยากจะดับทุกข์หลุดพ้นได้ก็ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธองค์ การเจริญสติการเจริญพมภิหารการละกิเลสอันนี้เป็นเรื่องของตัวเราเองไม่ใช่ว่าเรื่องของคนอื่นแต่แนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านในค้นพบออกมาเปิดเผยแล้วก็เอามาชี้แจงแนะแนวทางวิธีให้นั้นมีมาตั้งนานแต่พวกเราจะดำเนินให้ถึงจุดหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเราเองไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับคนโน้นขึ้นอยู่กับคนนี้ รู้จาักการเจริญสติก็ไปหมั่นพร่ำสอนใจของเราว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรละอะไรควรเจริญอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอณ น, นิสง์ผลบุญขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของแต่ละบุคคลหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่เล่าให้ฟังว่าการเจริญสติเป็นอย่างนี้นะการละกิเลสเป็นอย่างนี้กายวิเวกใจวิเวกเป็นอย่างนี้ การเจริญสติที่ต่อเนื่องก็เพื่อที่จะรู้เท่าทันจิตวิญญาณในกายของเรารู้เท่าทันในขันหะของเราเราก็รู้จักละรู้จักเจริญอะไรควรละอะไรควรเจริญหลวงพ่อก็เพียงแค่พูดให้ฟังถ้าพวกท่านไม่ไปทำตามก็ยากที่จะเข้าใจเหมือนกับเราหิวข้าวถ้าเราไม่ทานข้าวเราก็ไม่อิ่มอยากจะได้ทำอยากจะรู้ทำอยากจะทำใจให้สะอาดถ้าไม่ละกิเลสมันก็ไม่สะอาด ปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจในธรรมไม่รู้จักวิธีปฏิบัติก็เข้าไม่ถึงจเจริญสติไม่รู้จักลักษณะของสติไม่รู้รักจักลักษณะของใจมันก็เข้าไม่ถึงถ้าเราไม่รู้ใจเราจะไปละ ก, กิเลสที่ใจได้อย่างไงถ้าเราไม่รู้การเกิดการดับของใจเราจะไปดับไปละได้อย่างไงเราต้องรู้ต้องเห็นเห็นลักษณะอาการนั้นเราก็เข้าถึงแต่การทําบุญให้ทานทุกคนมีกันมาตั้งนานมานั้งแต่พ่อแม่ปู้ญาติย า, าย พากันมีมานานแล้วแหละศรัทธาตรงนี้ทุกคนก็ปฏิบัติธทมกันมาตั้งนานอย่าไปปิดกั้นตัวเราว่าไม่ได้ปฏิบัติในหลักธรรมนั้นแม้แต่แต่รูปกายการเกิดการเปลี่ยนแปลงของกายอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมของรูปส่วนการเกิดของวิญญาณตรงนี้เลยเรารู้ไม่เท่าทัดเรารู้เรารู้อยู่เพียงแค่ว่าผิดถูกชั่วดีมีความรับผิดชอบ รู้จักทำบุญรู้จักให้ทานรู้จักอภัยแต่เราไม่เคยเห็นตั้งแต่การเกาะตัวของวิญญาณในกายของเราในขั้นปัญญาขั้นสูงก็เลยไม่ก็เลยว่าตัวเราไม่ได้ปฏิบัติแต่เราก็ปฏิบัติมาอยู่ในระดับหนึ่งถึงได้ดำเนินชีวิตมาถึงขนาดนี้ทีนี้ก็เหลือตั้งแต่ทั้งด้านจิตวิญญาณที่เรายังเข้าไม่ถึงเรารู้อยู่ในภาพรวมเท่านั้นเองเราก็ต้องพยายามกัดมีโอกาสอย่า ปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนมีเวลากันเต็มเปี่ยมแต่จะสร้างอา น, นิสงส์มากน้อยได้เพียงไหนเท่านั้นเองมีความเพียรมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็มีความเชื้อชรได้เต็มเปี่ยมหรือไม่ในปัญญาทั้งโลกทั้งธรรมเราต้องทําความเข้าใจหมดทั้งโลกทั้งธรรมเพราะโลกกับธรรมก็อยู่ในกัดกายของเราคือก้อนโลกใจของเราถ้ายังแยกยังขลายไม่ได้ก็ยังเป็นโลกอยู่ ในหลักธรรมไม่ได้ความอยากไม่แต่นิดเดียวความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นท่านก็ให้ดับดับความเกิดหยุดความเกิดแต่เวลานี้จิตวิญญาณของเราทั้งเกิดด้วยทั้งหลงขันห้าด้วยถ้าเราไม่ได้เจริญสติให้ต่อเนื่องแยกแยะใจออกจากขันห้าได้ชัดเจนก็อยากที่จะเข้าใจว่าเราหลงเราก็มองอยู่ในภาพรวมว่าถูกต้องอาจจะถูกต้องอยู่ใน ด, ดับพงส ม, มติเท่านั้นเอง ให้ได้ถูกต้องทั้งสมมุติทั้งวีมุตต์เราก็จะมีความสุขทั้งสมมุติทั้งวีมุตต์อยู่กับสมมุติไม่ให้สมมติเขาครอบงับยังสมมุติให้เกิดประโยชน์ความรู้ตัวไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาความรู้ตัวไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องทําให้ต่อเนื่องใจของเราอยังวิ่งยังหลงยังเกิดเรายัางไม่เห็นต้นเหตุเราก็รู้จักดับรู้จักจุดรู้จักควบคุมทุกขณะยืนเดินนั่งนอนกินอยู่กับถ่าย สติปัญญาของเราต้องเร็วไวให้ใจของเราสงบทุกเริยบบทสงบจากการเกิดสงบจากกิเลสพูดไงโน่แต่เวลาลงมือเนี่ยมันยากอยากยากจริงๆแต่ต่อใช้ความเพียรค่อยอดทนอดกลั้นไม่เหลือวิสัยค่อยสร้างสะสมกันเป็นแค่การจเจริญสติก็ทำให้ได้ต่อเนื่องกันเช่นกันทั้งที่ใจก็เป็นบนุญ ในเหลือวิไสยหลกการทำบุญการให้ทานนี่แหละเป็นพื้นฐานของการปล่อยวางได้ดีใจของเรามีั้งแต่ความเสียชละขัดเก่าเอาเอาอกจนเหลือ้งแต่ความบริสุทธิ์คนทั่วไปนะั้นทั้งถ้าเยอทะยายันยากเพียงแค่อยากได้บุญมันก็ได้ยุกแต่มันก็ปิดกั้นความบริสุทธิ์เอาไว้แต่มันก็ได้ยุคก็ยังดีกว่าใจที่เป็นทุกข์ให้ยึดติดในให้ยึดในบุญ แล้วก็ให้สูงขึ้นไปก็ให้วางบุญอยู่เหนือบุญเหนือบาปถึงเราไม่เอาบุญแต่เราก็อยู่กับบุญเพราะเราทําบุญเราไม่ได้สร้างอากุศลอะไรอืมตราบใดที่ดังดับความเกิดไม่ได้ก็ต้องอาศัยบุญนี้แหละเป็นสเสบียงเป็นเครื่องดําเนินชีวิตในวันข้างหน้าไปต่ อ, อพบข้างหน้าทาไม่จบพบมนุษย์ก็ได้เกิดมาแล้ว วิญญาณอาศัยอยู่ในภพมนุษย์อีกในกายในขันห้าของเราอีกเราดับความเกิดตัววิญญาณไม่ได้ก็ให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้นี่แหละพระพุทธองค์ท่านชี้แนะแนวทางท่านชี้เหตุชี้ผลเรื่องความเป็นจริงของชีวิตในชีวิตของคนเรามีอะไรบ้างท่านชี้ชั้นแจงให้ดูให้หมดเลยขันห้ามีกี่กองมีกี่ขันมีวิญญาณเข้ามาครอบครองได้อย่างไร กิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นลักษณะอย่างไรท่านแจงเอาไว้หมดนิวรณ์ทำมนทินต่างๆท่านแจงเอาไว้ให้หมดพวกเราไม่ยอมเดินกันเท่านั้นแหละเดินอยู่แต่ไม่เดินไม่ถึงเดินอยู่แต่เดินไม่ถึงก็กำลังสติกำลังปัญญามีไม่เพียงพอวิบากกรรมสมมติยังปิดกั้นเอาไว้อยู่ถ้าวิบากกรรมสมมุติมันคลายเมื่อไหร่อะไรก็ปิดกั้นเอาไว้ไม่อยู่ถ้าเราสร้างบรารมีให้เต็มเปี่ยมนี่ว่าพระวิญญาณวิชี ก็พยายามขยันหมั่นเพียรกันนะแม้แต่ความอยากเล็กๆ น, น้อยๆอยากในอาหารอยากในรูปในรถในกินในเสียงแล้วก็ต้องพยายามดับพยายามควบคุมถึงเราดับไม่ได้ละไม่ได้เราก็พยายามควบคุมควบคุมภายในไม่ได้ก็ไม่ออกทางกายควบคุมกายไม่ได้ก็ไม่ออกทางวาจาท่านเรียกว่ากายกรรมมโนกรรมวจีกรรมต้องทําความเข้าใจให้เรียบร้อยหมด ตำหนิตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราโทษตัวเราเองอย่าไปเที่ยวโทษคนโ น, โน้นเที่ยวโทษคนนี้มาวัดป่าธรรมออทยยานมาปฏิบัติธรรมไม่เห็นเข้าใจในธรรมเลยบอกนะจะไปเข้าใจได้ยังไงสติก็ไม่ได้สร้างกิเลสก็ไม่ได้ละไปโทษได้กรบทานเจ้าขุนว่าสอนไม่ดีเลยไม่รู้ธรรมนะี่อย่งแค่การจเจริญสติก็ให้ได้เชก่อนเถอะ หัดทานข้าวให้เป็นเท่ก่อนเทหัดหายใจให้เป็นหายใจเข้าหายใจออกยังไม่สนใจกันเลยจะเอาตแต่จะทำเพียงแค่สติรู้กายก็ยังไม่ต่อเนื่องจะลุกจะก้าวจะเดินอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาจะเอาตแต่จะทำสติก็ยังไม่ต่อเนื่องมันจะไปรู้เท่าทันไอ้ปัญญาของกิเลสได้ยังไงกิเลสเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันเราต้อง มีความเพี่ยนทุกอย่างเพี่ยนภายนอกเพียนภายในเพี่ยนทุ ก, กุริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายใจวิเวกเป็นยังไงใจวิเวกเป็นยังไงอยู่กลางโรงหนังกลางตลาดเป็นยังไงใจของเราเกิดหรือไม่ความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราได้อย่างไรอ่ะเขาคงจะพร้อมเพียงกันเรื่องอาหารกันนั่นแล้วนะต่อไปขหน้าก็จะได้ให้คุณตาพาถวายพาถ่ายทำพิธีไถ่ยชีวิตโคร ถากันสมัครทานจินกันใช่ก่อนนะแม่บ่นช่วยลูกสุขใจใกล้จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแหละในภพนี้คงจะเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในภพจุดท้ายถ้าหมดจากภพนี้คงได้เกิดเป็นเป็นมนุษย์ถ้าเกิดได้เป็นมนุษย์แล้วถ้าลงสมัครสสก็ช่วยเลือกหน่อยเด้อบางทีมีโอกาสได้เป็นนายกอาจจะได้มาช่วยเหลือพวกเรามาทําหน้าที่สร้างประโยชน์ได้อีกมากมายโต้ จิตวิญญาณของแต่ละดวงนี้วนเวียนไหวใจเกิดอยู่ในภพน้อยอยู่ในภพใหญ่เดี๋ยวก็เป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เป็นเทวดาแล้วก็เป็นสัตว์เนไร่ฉานนอกจากจิตที่ดับความเกิดได้ละกิเลสได้หมดจดถึงเข้าสู่นิพพานถึงไม่ได้วนเวียนไหว้ใจเกิดจากไปที่เรายังเกิดอยู่อ่ ะ, อะพอแล้วมั่งอ่ะอ่ก็ขอเชิญเจ้าภาพท่านไปที่ตัววัวด้วย จะได้ประพรมน้ำให้ความเป็นสิริมงคลกับสัตว์ที่เราปล่อยจะได้มีให้ได้ให้ญัติโยงได้ไปเลี้ยงอนุเคราะห์สืบต่อชีวิตให้ยืนยาวนานต่อไปนี่แหละมีบุญมีโอกาสเราถึงได้ทำถ้าโอกาสไม่พร้อมเราก็ไม่ได้ทำถ้าความพร้อมไม่มีเราก็ไม่ทำไม่ได้ทำถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ทำ ถ้าได้ไม่มีสถานที่รองรับเราก็ไม่ได้ทำมันต้องเพียบพร้อมหมดทุกอย่างทั้งฐานทั้งศรัทธาทั้งสถานที่ทุกอย่างต้องพร้อมหมดถึงจะได้มีโอกาสได้สร้างบุญตรงนี้พวกเรามีโอกาสอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าหลวงพ่อก็พาทาอยู่ตลอดมีโอกาสก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกัน